หลวงพ่อพุทธหลวงพ่อปราโมทหลวงปู่เจีย้ยหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญเพงแล้วก็อีกลหลายหท่านซึ่งคําพูดจากพระที่น่าเคารพหลายๆท่านนี้ก็คงจะทําให้ลหลายๆคนได้สตินะครับว่าหลวงตาพระมหาบัวท่านดีและประเสริฐกว่าที่เราคิดแค่ไหนหนังสือเล่มนี้จะมีหลายหลายเรื่องรวมกันไปนะครับหลากเรื่องราวทั้งเรื่องลึกลับเหนือสัมผัสความสมรถะเรียบง่ายความเป็นกันเองไม่ถือตัวเข้าหาง่ายการรักษาพระวินัยเคร่งครัด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 ลมหายใจจะก้าวตามเดินต่อในเส้นทางมักค้าจะไหลพ้นหยุดเวียนวนอยู่เนื้อทาราหนอบน้อมภาวนาบูชาพระมหาบัวแหวกไหวเวียนไปวันหนึ่งจะอยู่